มัคสีล4นสีนิพพานหนึ่งไว้ที่การศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุมัคสีล4นสีนิพพานหนึ่งตามลำดับนะการศึกษานี้ในสมัยพระพุทธการหรือในอดีตที่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 ไว้ว่าพระที่บวชใหม่จะอยู่ปราศจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถือนิสัยในครูบาอาจารย์ห้าพันสาเพราะจะได้มีผู้คอยดูแลคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยสอนวิธีการที่จะปฏิบัติให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 คือขั้นรูปประชานอารูปประชานแต่ท่านไม่สามารถสอนให้ขึ้นไปสู่ขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ได้เพราะไม่มีเพราะท่านเองไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติให้ไปถึงขั้นนั้นได้เพราะพะพุทธเจ้าจึางต้อง ค้นคว้าหาวิธีด้วยพระองค์เองทรงต้องทดลองผิดทดลองถูกท่านเคยลองผิดเคยอดปกยอาหารถึงสี่สิบวันด้วยกันเพราะทรงคิดว่าจะเป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้หมดแต่การอดพกยอาหารถึงสี่สิบ้าวัน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 ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องเจริญสัมมถภาวพานาก่อนเพราะถ้าไม่มีสัมมาทภาวนาคือไม่มีความสงบใจจะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของตัญหาของความอยากให้เห็นทุกข์ที่จะตามมา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 การมีสมาธินี้ก็คือการได้รับได้พักผ่อนแบบนอนได้รับประทานอาหารพอออกจากสมาธิมาแล้วก็จะมีกําลังวังชาที่จะมาจะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้มาพิจารณาใจรักเช่นพิจารณาใตรักในสิ่งไหนก็ให้พิจารณาในสิ่งที่เรารักเราชอบเราอยากนั่นแหละเรารักเราชอบอะไรเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่า เขาเที่ยมหรือไม่เที่ยงเขาจะให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรหรือไม่เดยเขาให้ความสุขกับเราเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเขาก็เสื่อมหมดไปพอหมดไปเราก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้จะทำยังไง้าไม่ได้ก็ดิ้นตายนี่คือลักษณะของการพิจารณาตายดั่ง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 ได้พักผ่อนสักชั่วโมงหนึ่งพอได้รับประทานอาหารได้พักแล้วชั่วโมงหนึ่งก็จะมีกำลังที่จะกลับไปทำงานต่ออีกสชั่วโมงไปจนถึงประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก็ต้องเลิกงานแล้วก็กลับบ้านไปรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนหลับนอนจนถึงวันรุ่งขึ้นถึงจะมีกำลังวังชา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 ใจก็จะอิ่มไปตลอดสุขไปตลอดอนี่เกิดจากการบเาเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มาประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราก็จะไม่รู้จากคำว่าวิปัสสนาภาวนาจะรู้ก็แค่ขั้นสมถะภาวนา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 สมาธินี้เป็นเหมือนหินที่ทับหญ้าไว้เวลาเอาหินมาทับหญ้าหญ้าก็จะไม่งอกขึ้นมาพอออกจากสมาธิก็เหมือนกับเอาหินยกหินออกจากหญ้าหญ้าก็จะงอกกลับคืนขึ้นมาใหม่นี่ก็คือเป็นการปฏิบัติในยุคที่ไม่มีสมัยในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นาทาง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 เพื่อที่จะได้รู้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติและจะได้บรรลุและจะได้เป็นพระอารหันต์สาวกตามลําดับต่อไปถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุก็จะมีพระพุทธศาสนาต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุต่อไปาศาสนาก็จะหายไปตอนนี้ศาสนาก็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 พุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยสอนให้จุดทูบเทียนแล้วก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้การเบริจากทรัพย์นี่ไม่ได้เบิจากเพื่อซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้การเบริจากเพื่อตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้เงินได้ทองความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขดับความทุกข์ต่างๆที่ไม่ใช่เป็นวิธีการนี่คือ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 ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเว้นันเวลาของเรานี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆอย่าให้เหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆกิจาการต่างๆมาแย่งเวลาอันมีค่าของเราไปพยายามต่อสู้อย่ายไปยุ่งกับกิจาการต่างๆเรื่องราวต่างๆขอให้พุ่งไปที่การศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมนี้เท่านั้น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 จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาิวาหาปุราปาริปุเรนติสากลรังเอวามวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมะสเมจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวัจจันโุสัพโลกวินัสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานศีริสะดิจังมุธาปจายโนจตารธรรมาวะทานติ อายุวโนสุขังภาลางเอาต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมถ้ายอยู่ที่นี่อยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามได้เอาผ้าปิดหัวก็ได้ท่า <laughs>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 เราไปจับจองที่ดินตรงไหนแล้วเราก็บอกเป็นของเราขึ้นมาตาจริงมันไม่เป็นของใครมันก็เป็นของดินน้ำลมไฟโลกนี้ทามาจากดินน้าลมไฟเจ้าของที่แท้จริงก็คือดินน้ำลมไฟแต่จิตนี่ผ้าอรหันต์นี่อยู่ในจิตของแต่ละดวงก็เป็นของจิตดวงนั้นไปจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็เป็นของเรา จิตของเราก็เป็นอรหารได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนทำทานรักษาศีลภาวนาไปต่อไปจิตของเราจากปุถุชนก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นสมาสกิดาคามีพระอนาคามีแล้วในที่สุดก็เป็นพระอาหารหันนี่คือจิตของทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้อยู่ที่ว่า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 เพราะไม่มีการปรุงแต่งใดๆใช่ไหมเจ้าคะเพราะก่อนการปรุงแต่งเราไม่ปรุงแต่งมาก่อนใช่ไหมก็จิตเดิมก็คือจิตที่สงบนั่นเองที่เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวนี่ก็สักแต่ว่ารู้นี่เรียกว่าจิตเดิมแต่มันเป็นจิตเดิมที่ยังมีกิเลสครอบงำอยู่เพียงแต่ว่ากิเลสมันตอนนั้นไม่สามารถทำงานได้เพราะเครื่องมือของกิเลสคือนามขันหยุดทางาน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 แล้วก็พูดออกมาทางปากเลยก็มาจากสัญญาสังขารเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของญาติโยมเดี๋ยวพอคิดปั๊บก็อยากจะหากาแฟดื่มอยากจะหายนั่นทําหายนี่ทำเนี่ยมันต่างกันตรง น, นั้นจิตของพาลานท่านไม่มีความอยากท่านจะทําอะไรนี้ทําทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจําเป็นเช่นดื่มน้ําก็ไม่ใช่ดื่มด้วยความอยากดื่มเพราะว่าร่างกายมันบอกว่า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 เติมน้ำมันให้มันร่างกายก็เหมือนกันการดื่มน้ำก็เหมือนกับเติมน้ำมันให้ร่างกายถ้าไม่เติมน้ำเนี่ยคอแห้งมันก็เหนื่อยมันก็ไม่มีแรงที่จะพูดนยมันก็ต้องเติมน้ำเข้าไปมันถึงจะพูดต่อไปได้ข้อที่สตะกรนที่นอนก้นอยู่เราจะมีวิธีใดที่จะทำให้หมดไปได้เพราะในชีวิตประจาวัน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 ทดแทนความอยากนั้นมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขมาทดแทนความสุขที่เราต้องการจากความอยากนั่นพยายามเจริญสติทําใจให้รวมให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญาคิดไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้คิดไปแล้วก็สู้ตันหาความอยากไม่ได้ก็จะทุกข์ ฉะนนคนปฏิบัตินี้ไม่เข้าใจกันคิดว่าไม่ต้องมีสมาธิกันถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ปฏิบัติก็เป็นศักด์แต่ว่าปฏิบัติไปอย่างนั้นเองแต่ใจจะฉืดอยชืดใจจะรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจตลอดเวลาแต่ถ้าทําใจให้สงบแล้วมันเบามันโล่งมันเย็นมันสุขกแล้วมันก็จะต่อสู้กับปัญหาความอยากได้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 เราต้องคุมมันตั้งแต่เตินขึ้นมาเลยอย่าให้มันคิดคิดเท่าที่จําเป็นหรือถ้ามันจะหลุดก้าวหลุดบ้างเป็นปกติใหม่ๆ ม, มันไม่มีทางที่จะพุโทโธไปได้ทั้งวันมันก็พุโทโธบ้างหลบไปคิดน้ํานั้นนั่งนี้บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีพุโทโธเลยเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาเนี่ยถ้าไม่มีไม่แตะเบรกบ้างเลยเดี๋ยวมันก็หาโค้งแต่ถ้าเราคอยแตะเบรกแตะเบรกไว้มันก็ยังวิ่งอยู่ในถนนได้ฉันได้ความคิดของเรา ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่อย่างต่อเนื่องขาดบ้างเกินบ้างอย่างน้อยมันจะไม่ฟุง้งซ่านมันจะไม่แห่โคง้งแต่ถ้าเรามีพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องจนไม่คิดเรื่องเราอะไรได้ใจมันจะว่างจะเย็นทั้งๆ ท, ท, ที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจก็จะรวมได้เพราะงั้นพยายามให้ความสาคัญกับการเจริญสติก่อนอย่าเพิ่มไปให้ความสำคัญกับการนั่งหรือ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 ไหลเข้ามาไหลเข้ามาอยู่อย่างนั้นนี่เพราะว่าเราไม่ได้หยุดความคิดเลยอพราะฉะนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้จิตดวมให้ได้ผลต้องเจริญสติให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งคําถามข้อสุดท้ายจากอินเทอร์เน็ตประจําวันนี้นะครับจากคุณจินนะครับหนูมีเรื่องจะถามแฟนหนูไม่มีศินห้าสักข้อเลย แล้วหนูคิดจะหนีไปอยู่วัดถือศีลแปดนานๆไม่บอกแฟนแบบนี้เราจะเป็นบาปไหมคะที่ทําให้แฟนทุกข์ใจก็อย่า ก, กับเข้าไปเสียก็หมดเรื่องคนไม่มีศีลไปอยู่กับเขาทําไมอยู่กับคนบาปมันจะได้อะไรอย่าไปซะเลยเราจะได้ไม่บาปจะได้ไปอยู่ของเราได้ตลาดเวลาปวดคําถามแล้วใช่ไหมการอยากจะถามใหมบนนี้ ได้ยินถุงว่ามาครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าได้ฟังวิทยุครับเกี่ยวกับผู้ที่โดนยัดข้อหาเลยอย่างเงี้ยครับก็มันจะเป็นเรื่องความทุกข์ของเขาครับแต่ทุกครั้งที่เราฟังหรือได้เสพสื่อข่าวประเภทนี้มาเนี่ยเราก็มักจะไปเมื่อฟังแล้วเนี่ย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 เพื่อความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ